การเจริญวัตรรมฐานที่บรรดาท่านพุทธบริษัทกำลังเจริญอยู่นี่ตามสัสตร์ภาสาบาลีฉนเรียกว่าเป็นการเจริญมโนยิทธิสามแบบมโนยิทธินี้เป็นเนึนหนึ่งในปัญญาห้าหรือว่าหนึ่งในปัญญาหกนี่ว่าการปฏิบัติแบบนี้พระบรรดาท่านพตทธบริษัท มากตอนนี้ก็ไม่เคยปฏิบัติจนมาแล้วแต่พึงเข้าใจว่าการเริ่มต้นในการทรงสมาธิของมโนยิธิอันนี้ใช่รมใจเบาๆเพราะว่าถ้าบาังเอิญปิดขณาที่ภาวนาอยู่ก่อนที่จะเริ่มใช้อารมณ์ใช้เป็นมโนยิธิสิมปุัญาณถ้าบาังเอิญเวลานั้นแต่รมชาน หาฮว่าจะใช้กำลังเป็นพิธีกรพยญญานจริงๆก็ต้องถอยหลังมาทั้งอุปจาระสมาธิเรืองทาจะให้ดีแล้วก็คำอัดาต้องพุทธบริษัทจงเอิบใจแบบเบาๆเพื่อท่าแบบสบายๆย <c oughs> งเว้นจากความตั้งใจคิดว่าเราจะทรงกิจให้แนสนิทเกินไป คือทําอย่างนี้เวลนลายใจเข้านึกว่านะมักเป็าลายใจออกนึกว่าพระะลอยจิตสบายๆลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกปล่อยไปตามปกติอย่าบังคับลมให้ใจเข้าหรือว่ายาบังคับลมให้ใจออกให้หนักหรือให้เบาให้ยาวให้สั้นต้องปล่อยลมให้ใจไปตามปกติจริงๆ ว่าการเราลงไม้ใจให้ใจไปตามบทีและเอาจิตเข้าไรับทราบตอนนี้เป็นเหตุให้จิตมีสมาธิเอาจิตมีสมาธิพอเบาๆแบบสบายจิตสมาธิแบบเบาๆนี่ก็ อ, อันหนึ่งที่บรรดาญาโยมพระบศวรรษอาจจะสงสัยว่าการทรงสมาธิจริงๆความจริงบางคนคิด ว, ว, ว, ว่ามันจะต้องไม่คิดอะไรเล ย, เลย จะต้องสงรงอารมณ์อยู่ตามปกติคือจิตนว่าอบแหกอันนี้ไม่ใช่ถ้าเรายังไม่ถึงอารหังเพียงใดหรือว่าขณะนั้นถ้าจิตยังไม่ทรงอยู่ในฌานสี่เพียงใด mm. มันก็ต้องหอวแหวกนในของธรรมดา่านทีขณะที่ภาวนาไปด้วยที่เจรมาลมให้ใจเขาออกไปด้วยสักคู่หนึ่งแลืนาทีสองนาที อเอาใจที่อารมณ์จิตมันเคยคิดอะไรแต่ไรที่มันอยู่เราก็เผลอนิดเดียวมันก็คิดนอกเรื่อโนโราไปถ้าเป็นอย่างนี้พอมิคือมันได้าาก่าเอาดีเผล่ก็แช้แล้ ว, ลวรอภาวนาอยู่นิจตั้งเดินไปแล้วก็จับดึงเข้ามาใหม่จะา ก, ก็หนดรู้ลงใจเข้าออกใหม่แล้วก็ภาวนาตามเดิมของเราเป็นใหม่อย่างนี้เราถือว่าใช้ได้ อย่าไปคิดว่าขณะที่ภาวนาอยู่นั้นมันจะต้องไม่คิดอะไรเลยเพราะอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้การที่ไม่คิดอะไรเลยถ้าอย่าถามว่าถ้าอย่างนั้นจิตจะสมาธิได้อย่างไงรเราตอบว่าคำว่าสมาธินี้แปลว่าตั้งใจเราตั้งใจอยู่แล้วก็ว่าจะทำความดีเพื่อตั้งสติสัมปัญญะให้สมบูรณ์ เราต้องการรู้หลมไม่ใจขวาไม่แจ้งให้ได้ให้ใจออกมิแปลมือเอียดถ้าเราก็ตั้งใจภาวนาอยู่แล้วถ้ามันเถอก็ไป็นขอธรรดาคําว่าตั้งใจตัสมารถณะใดที่รู้หลมไม่ใจข้ามจะออกขณะนั้นแล้วภาวนาอยู่ด้วยขณะนั้นที่ว่าจิตมีสมาธิแต่เมื่อสมาธิถึงขั้นลูกผู้ปราชญ์ละสมาธิมันก็สํางหมดไปหมดมาบ้างเป็นขอสรรมดา ตอนนี้ถจิตอยู่ระดับนี้ถ้าเจิตสรงอารมณ์พอสมัยสบายอารมณ์ก็เริ่มเป็นคิดถ้าอารมณ์เริ่เป็นคิดแต่เราก็สามารถจะเห็นภาพที่เป็นคิดได้โดยทางใจและเราสามารถจะยินเสียงที่เป็นคิดได้โดยทางใจเหมือนกันเพราะว่าการจะรู้และจะเห็นคนดีต้องเป็นพรที่มีผููแนะนําเข้าไปแนะนาท่าน เรอความจริงการศึกษานี้เป็นของหนักมากในกศาสนาแต่ก็ได้อาศัยพระหายรุณาที่คุณพระองค์สัมเท็จ์ศาสนาสัมปชัญญาวทรงประทานวิชานี้ไว้ในรโลธศาสนาถ้าหยุดลอยก็ทำแต่ผู้เดียวโดวยไม่มีใครเข้าไปแนะนําอันนี้ไม่มีผลก็เคยทํามันแล้วต้องให้บุคคลที่เคยได้ทำไปแล้วเข้าไปแนะนำท่าน จนมาประโลมจิตตอนที่ยาเริ่มทําสมาธิจริงๆจริงจังในตอนนี้สงค่ายวันดาท่านกุฏบริษัทลืมความหลังเสียหมดคำว่าลืมความหลังก็หมายความบาปอคุณสนใดๆทั้งหมดที่เราเคยทําไปแล้วในขันขอในการก่อนในตอนนี้เราไม่ไมถึงเราลึกถึงอย่างเดียวแต่ความดีที่เราสมบูรณ์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 แต่ก็ต้องพิจาราว่าถ้าเราเรก้าของอะไรทั้งหมดถ้าบางเอื่นร่างกายเขาจะตายไปเวลานี้ถ้าเราตายไปเวลานี้เราข้างหลังเขาจะทำยังไงถ้าเราคิดว่าถ้าเราป่วงถ้าเราตายไปแล้วเราจะช่วยเขได้ไหมเคยมีคนตายที่ไหนบ้างไม่ช่วย ข, ข, ขนนนุนข้าวอุกกาต่างน้ำต่างาทํางานยากาศมันไม่มี แค่ถ้าชีวิตเราถึงวเวลาแห่งความตายจริงๆมีใครบ้างทางปามตายได้ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเวลานี้ให้เราห่วงอยู่เฉดซีลคือปัจจุบันเวลาปัจจุบันเวลานี้เราทําอะไรเราห่วงเฉพาะที่นั้นถ้าเราห่วงบ้านห่วงทรัพย์ห่วงทิ้นห่วงคนที่บ้านแล้วก็จะไม่มีประโยชน์เรานั่งอยู่ตรงนี้บ้านอยู่น่นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็าช่วยอะไรไม่ได้ ในคำบรรดาษนะเาถึเคยสัตย์จะถือว่าเวลานี้เราเป็นบุคคลคนเดียวไม่มีอะไรกั้นนั้นเวลานี้หรือที่เวลาก็ตามจะเป็นเวลาไหนก็ตามที่ว่าเราเป็นบุคคลคนเดียวที่ถืออย่างนี้ไม่ใช่เรียงคนอื่นพือตามตวามจริงอีกอย่างหนึ่งคนนี้เป็นสามีเป็นพัญญาเป็นบิดามารดาเป็นโยกเป็นหลานเป็นเลนนืเรื่องทั้งทางจริง แต่เราสิ่งที่เนื่องด้วยกันไม่ได้เพียงหนึ่งเมื่อเราเกิดขึ้นกันแล้วถ้าความป่วยไข้ไม่สบายมันจะเกิดกับเราคนที่เรารักคนที่เรารักผีคนที่หวังดีต่อเราทุกคนไม่อยากให้เรามีทุกขเวทนามากแต่ว่าไม่มีใครเลยที่สามารถาแบ่งเบาความป่วยของทุกเวทนาจะกร่างกายของเราไปได้ หมอมีหน้ า, า, ามมนที่รักษาก็ให้ยาถ้ามันเจ็บปวดจริงจริงหมอไม่สามารถจะนักไดอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราเป็นบุคคลคนเดียวคือถ้าเราปว่วยเราก็ป่วยคนเดียวเรามีทุกขเวทนาเราก็มีทุกขเวทนาคนเดียวไม่มีใครสามารถช่วยแบ่งเบาได้เลยถ้าเราปวดมากเมื่อยมากมีทุกทรมานมากจะมีคนที่รับเท่าที่คนมีตาฟังดีกับเรา จะมาแบ่งความเจ็บปวดไปให้คนนิดคนหน่อยก็ไม่สามารถจะทําได้ตอนนี้เราเป็นบุคคลคนเดียวจริงแล้วในกาลนิรภัยชีวิตล่วงไป ค, นนความแก่ก็ปรากฏขึ้นถ้ามีคนมีปรารถนา ด, ดีว่าเราเป็นคนหน้บ้านตัวใจเราเป็นคนําเราเป็นห้วยการแนะนํานเราเป็นผู้นำ ถ้าเราแก่มากเียนไปแล้วก็สุขภาพร่างกายไม่ดีมันสมองไม่ดีงานการนี้ทำยิ่มันมันจะเกียดเพรามันจะซุดโต้ลงอาจะมีใครวไหมที่ทําไม่ต้องการให้เราแก่แม้ความแก่จมาถึงเราเขาจะมาแบ่งความแก่เป็นคนนิกคนหน่อยเพื่อไม่ต้องการให้เราแก่อันนี้เก็นได้ไหม ถ้าทําอย่างนี้ก็ําเร็ได้ก็นั่น น, นี่นี่จุดหนึ่งที่แสดงว่าเราเป็นบุคคลคนเดียวทิ้งเวลาที่แก่จริงๆเราก็แก่คนเดียวไม่มีใครมาช่วยแต่งความแก่ของาได้และก็ในขั้นสุดท้ายวาระที่ความตายเข้ามาถึงจริงๆมีใครบ้างไหมที่คิดว่าถ้าเราตายไปแล้วมันร้ายประโยชน์มากจริงที่ทรงอยู่ยมันจะสุดตัวลง เรื่วความตายยัเข้ามาถึงเราเขาไม่ทำการแอลสายน้ำ <c oughs> แบ่งเอาความตายเลยไว้ให้คนอันหน่อยละหน่อยเขาก็องไม่ตายแล้วเราก็ปลอดจากความตายอย่างนี้ทําได้ไหมถ้าทําไม่ได้เราจะเป็นผู้ต้องตายก็แสดงเราเป็นคนคนเดียวเพราะคิดตามนี้นะั้นคำ ว, ว่าคนคนเดียวไม่ได้หมายความให้เรียนคนอี่ ในที่สิ้งความเป็นจริงว่าสิ่งที่เราจะต้องรับและไม่มีใครแบ่งไปด้านนึงเราต้องรับแบกตัวเดียวเมื่อเราเวลาเราป่วยแล้วก็ป่วยคนเดียวเราแก่ล้วก็แก่คนเดียวเราตายแล้วก็ตายคนเดียวเมื่อเราที่เราเป็นคนเดียวอย่างนี้ เ, นเวลาที่เราอบรมธรรมทุสข า, าไม่ตายเราก็ไม่ต้องห่วงอะไรทั้งหมดแม้แต่เนือ้องกายของเราที่ทรงอยู่เราก็ไม่ห่วง คิดว่าถ้าไม่าตายใเวลานี้ก็ดีเพรเวลานี้เราอยู่ในระหว่างพระธรรตรายตัวสาวะการที่พระพุทธเจ้าประทาะประสริฐเวลานี้เราเป็นคนมีศีลเวลานี้จิตกำลังพูดจิตจิตส่งทันถ้าอรมอย่างนี้ยังมีอยู่กับเราตายเวลานี้อย่าเลยที่จะไปสู่รันดาทุกคถ้าว่าเราไม่ห่วงใยในชีวิตจริงๆก็อาจจะไปนิพพานก็ได้ พระบรรดาพระฤาษีจับจิตใจตามนี้แล้วต่อไปก็ให้คำภาวนาวันมะพชะชาในเวลาเลกอธิบายแล้วนะเลาใจเข้าใกวันมะมะไหลใจออกวันพะชาที่ตาม น, นี้มาพูดทุกคำว่าอึงได้สักหน่อยการฝึกแบบนี้เป็นการฝึกควบระวางคิดปฏิบุยานยกับโมโนมิติ ที่เป็นพิญญาแพรมีความรู้สิททางใจคล้ายตาจิตมนโนยิทธิแปลว่ามีริทธิทางใจอันนี้ไม่ใช่พัญญาแพรถ้าจัดเป็นพิญญาก็เป็นัญญาอ่อน <c oughs> ถ้าอยากจัดอาิสขอป็นพิญญาจริงๆแล้วก็แล้วก็ไม่มีใครรับได้ก็ต้องขอแบบนี้ก่อนท่านได้แล้วถ้าเลยสุขผลจริงเรียกต้องพัญญาได้จริง ส่วนหลักคิดอุดพยา น, นี้พระดาจ่ า, า, านยอดยอมพริธรรมัจธสรมาบว่าเป็นความรู้สึกทางใจสายตาคิดพยานนิแต่ว่ารู้คิดก็ตาอัตตประชิตแปนว่าการเห็นด้วยการรู้ทางใจมันรู้สู่รู้ต้องสายตาคิตเหมือนกับท่ า, ทานาาหลายนึกถึงบ้านทีเวลานี้รุกข์ากมันเปยังไง นึสถึงลูกซึ่งหลายคนนั้นคนนี้เราสามารถบอกหัวลักษณะเป็นยังไงคิ้วพันเป็นยังไงโสดตรงเป็นยังไงแต่ว่าเวลานี้เราไมา่ได้เห็นมนันรู้ภายในค้ามาพิจิตรกยาเนีออกก็มีความรู้สึกอย่างนี้หากว่าือหลังจะพูดแล้วก็จะพักให้ท่านภาวนาสิบห้านาทีทตอนภาวนานี้คอยตั้งใจภาวนาเฉย ตัดอามณอยากรู้อยากเห็นเสียถ้าเป็นนิจอยาู้อยากเห็นว่านี่ไม่รู้ไม่เห็นถ้ากว่าถึงเวลาอนุญาตคริสตอนนั้นเป็นเวลาที่บอกว่าจะมีบุคคลเข้าไปแนะนําท่านตอนที่็นเขาเข้าไปแนะนําก็ท่านหยุดคำวนาเสียและก็ไม่สนใจกระหลงใจเ่าออกตั้งใจฟังคำอธิบายของบุคคลตัวแนะนำเพื่อตัดทิ้งใจไปทางนั้น ต่อมาถ้าเห็นว่ากาลังใจพอใช้ได้เขาจะถามว่าเวลานี้ท่านเห็นอะไรไหมมีความรู้สึกว่ามีเขาไม่ได้กล่าวว่าใครมือาำหน้าบางถ้าความรู้สึกมันไม่เห็นเท่าความรู้สึกใครคิดว่ามีก็ตอบว่ามีทันทีเขาถามว่าสีเขียวเลือดสีแดงแต่ความรู้สึกว่าสีแดงเขาตอบแดงเลยอย่าไปคิดต่าแน่หรือไม่แน่ ก็ความถ้าว่าสมาที่อ่อนวิจานาญาณอ่อนมันยังไม่เห็นแต่ความรู้สึกทางใจมันตรงถ้สาสมาธิและวัญญาดีขึ้นสิ่งที่เราไม่เห็นเนี่ยความรู้สึกแรงกดมันจะเกิดเป็นภาพจริงๆถ้าวิจานาญาณสมาที่ดีที่สุสาาดภาพนั้นเองภาพเจนอย่างใสลวดลายขอาพเราก็รูจักเห็นได้ชัดต่อ ท, ที่สุดทันที แล้วต่อจานี้ไปก็มารดาจะพุทธบริษัททป็นหลายต่้งกายอิตรงเดรงสิดนมันกำหนดรู้ลมใจข็าออกร้ายใจข้ามิกวนะหมักขยาออกโนภาะนะเราสำหรับข้ามีปฏิบัติไปแล้วให้ใจลมเป็นทิศให้ถึงมิสุเอาคนอันดับแรกอาจิตประจักษ์โยู่มีมายองฉันไปสดสมาจาบุมิา ทำใจให้สบายหลังจากนั starts, ้นก็ถ <dled> well? ึงเวลาอธิยาใส่ตอนนี้ใส่เรื่อปฏิบัติการลหรับตอนนี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจฟังคําแนะนําจากผู้นล่นวันนี้ขอดีเป็นวันพระรามที่บรรดาท่านพุทธบริษัทมาเจริญพระกรรมฐานก็เหมาะกับฟางคำว่าวันพระ เพราะว่านักเจริญพระกรรมาฐานทั้งหมดพระพุทธเจ้าทรงเรียกสองอย่าง อ, อ, ยอย่างแรกเรียกว่าประโยคาวจรหมายความว่าเป็นผู้ปรพปฏิบัติได้ด้วยความดีนี่ในหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อระโสดาปิมัติโดยเพราะอีกอย่างยิ่งสนับท่านียังไม่ถึงกับโสดาบัน เป ma e. nah ็น so นั um ้ว่าคันดาท่านผุ้ประกอบธุรกิจทั้งหลายก็น่าจะภูมิใจในตัวเองถ้ามีสุขมันเล่นอุบารสุขบาริกาที่ท่านทั้งหลายเลียเข้ามันอยู่ในเขตของความดีที่เขตของพุทธศาสนาการเกิดมานี่จะเกิดมาเพราะพุทธศาสนาเป่งของยากที่ว่ายากก็เพราะว่านานๆจะมีพระพุทธเจ้าสักครั้งหนึ่ง และกับนี้ก็เป็นกับที่ทนานหลายมีบุญมากเพราะว่ามีพระพุทธเจ้าผู้สิบองคไม่มีกับไหนที่จะมีพระพุทธเจ้ามากอย่างนี้บางกับก็มีองค์เดียวบ้างมีสององค์บ้างบางกับที่เป็นสุเมฆกับพระอูรัตราชกับก็ไม่มีเลยแต่ว่ากับนี้ถ้าว่าจะมีพระพุทธเจ้าผู้สิบองค์ก็ตามทีถ้าเราพลาดนิดเดียวเราก็ไม่เจอพระพุทธเจ้าอีก อยาจะอีกก็ต้องใช้เวลาเป็นแสงสัปแมงกูดีถ้ารับพัดลมพนร ก, กบักวันเดียวแล้วก็ชวดไม่พบเรา ก, ก็จะเจ้าต่อไปอยะงนั้นการที่ท่านหลายตั้งใจมาเจริญพระกรรมาฐานวันนี้และก็เป็นวันพระท่านเองก็ทําใจเป็นพระพระจริงๆและไม่ใช่หมพระเหลืองโกนหัวเฉย การผมผ่าเหลืองกนหัวใฉยเฉยก็ตอว่วาเป็นการถือเพบืบรรลคิดคาว่าบรรลิดแปลว่ากู้ชนะนนความหวงชนะอานาจด้วยความรักสเพือชนะอานาจด้วความโรธชนะอำนาจด้วยความโลภยิ่งมีนามว่าบันลิด แต่ถ้าว่าท่านคนใดยัง่ายอยู่จากความโลภความโกรธความหลงคนดีและราคะก็ดีก็ยังไม่ถืว่าบรณฑิตบัณฑิตจิตถืว่าเป็นสมมติสตองแว่าปฏิบัติตามวัคคามินไนดีถ้าที่ว่าอยู่ในขอบเขตของสมมติสตองแต่บ้ากว่าอื่นวัคคาินไนแท้เลยเที่จะมาเปรตเลยใช่อะไรไม่ได้เลยเข้ามาเปรต เตตไม้วามจะมีความเป็นอยนู่ก็อาใส่สบายคือโมทนาท้าพระเนรที่บวเข้ามาในพระพุทธศาสนาปฏิบัติชั่วก็วมีสภาพมันเปรตเรียกขอข้าวเขากินเรากลวงทัพย์สินธรรมชาตอันนี้ไม่ถูกแต่เวลาไม่มีผู้ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหนึ่งมีนบ า, บาบมบ่าความไปคิดด้วยมีนบามว่าที่ขู่ความไปคิดแปลว่าสู้ชนะทั้งหมด คิดตุใว่าพูดถึงภัยในสงสาราเขาพูดถภัยในสงสารก็หมายความว่าไม่ต้องการเกิดในวัฏสงสารต่อไปการเรียนาหตายเกิดเป็นพรหมก็ดีเป็นสวัดาก็ดีเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเปรตก็ดีอาุรกายก็ดีสัตว์เป็นช้างก็ดีสัตว์มนุษก็ดีมนุษย์สดีการวนไปวนมาอย่างนี้เท่ยวัฏกะมันไม่มีที่สิ้นสุดนั้นเวลานี้ท่านปฏิบัติผูก ในความว่นหนึ่งจะผู้ทรงศีลดีและในการอีกสองเวลานี้เข้ามาบาเพ็ญตะบะเป็นการข้ามหันกิเลสให้ขาดสิ้นเป็นสมุทเธตะปะหารฉะนั้นขอทุกท่านทั้งหมดที่นั่งในที่นี้ให้ตัดสินใจให้เลยว่าชีวิตนี้ในอนาคตอันสั้นเราจะเป็นสโสดาวนำขึ้นได้ภายในหนึ่งเดือน การจริยธรโสดาวันนี่เป็นไม่ยากถ้าเป็นรดาวันเพี่อย่างเดียวซึ่งชื่อว่าบาปอกุศลเก่าๆทั้งหมดที่เราทำแล้วไม่มีโอกาสให้กลมีทางทางเดียวที่เราจะไปคือก้าวเข้าไปใกล้ในพนิพพานพุทธะเพราะว่าดาบันท่านแปว่าเป็นผู้เข้าสิงไรแสพรนิพพานจอมยักษก็ระมัดระวังศีลให้มากที่สุด มีความรู้สึกอยูเสมอ ว, ว่าเราจะต้องตายถึงบางท่านที่มีความจําเป็นต้องสิดโกดังจริงเพราว่าเรื่องบรรดาชาเป็นของหนักพระพุทธเจ้าในส่วนกลางไม่ทร ง, ง, งกลกดทั้งไข่ถ้ากําลังใจทรงอยู่ในไหวด้วยงานบังครั้งเราก็ต้องลาสิกขาโบสถเมื่อลาสิกขาบสถ์ไปแล้วก็ทรงสินคายบริสุทธิ์ เโสดาบันกัปปสิกธาคามีมีความ ส, สํ า, ส ค, าสคัญอยู่ที่สิง่งห้าสำหรับเทวะพระเนรก็มีความสําคัญอยู่ที่สิ่งท้งส่วนกำลังจิตเมโสรดาบันในใช่บอกๆไม่หนักเส้อหนึ่งมีความรู้สึกว่าเราจะต้องตายไม่เรื่องจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้เราจะไม่ยอมลักเห็นความตายเป็นสำคัญ แล้วก be ็ควรคิดว่าความตายมันอาจจะมีกับเราในเวลานี้เพื่อความไม่จมั่นต้องจิตถ้าคิดว่าความตายอาจจะมาอีกหนึ่งสี่สิบกี่สามสิบกีร้ี่ก็สมั่นมากเกินไปที่พระพุทธเจ้าทวรตรัสว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงด้วยตามที่เบสการีสาธุพระพุทธเจ้าว่าเท่าพระเจ้าไม่ทรงทราบสิ่งใด ว่าก่อตายพระพุทธเจ้าจะมีเวลาไหนจะมีข SO e ้าวมีสายมีบ่ายมีเที่ยงมีกลางวันมีกลางคืนและการตายจะตายแบบไหนหม่อมฉันไมสงสารพระพุทธเจ้าก็ทรงยอมรับก็ใชยตามนั้นจะตับดีแล้วจะนั่งคำบรรดาทาิพุทธบริษัทสั้นๆคิดไว้สมัยว่าเราอาจจะตายอย่างนี้ตามที่องค์สมเด็จพระจันทร์สีทรงแต่กระซ่าอนุนและอานันตพระโลกก่อนอนุน ก้าวพาคดนีนึถึงความตายทีกลมให้ใจเขาออกใ่เมื่อเราไม่ถึงความตายอยู่เราก็ไม่แม้จะมาดไปชีวิตคิดว่าทิ้นเกี่ยวกับองค์สนต้องตายที่ทำมันแล้วกี่ชาติคนดีและาจะชาตินี้พดีต้องไม่มีโอก า, าสให้สงกัเราต่อไปอีกเราจะต้องพ้นกำลังของบาปบาปอกค์สนทั้งหมดที่เย็ดตนได้กว่าคืนหนึ่ง เทวรัตก high ็เป็จริงเทวรัตค่อยทำจริงเทวรัพระอริยสงฆ์จริงแล้วก็มีสิ่บร nee <dedi> ิสุทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ <pi sin nen ều oni> ่งเทวราตสิ่งห้าถ้าเป็นสิ่งแปดถ้าจิตรักสิลงแปดเป็นปกติเขาสาธุปันแล้วก็สบายท่เป็นจิตเขาพระอนาคามีเรื่อสิ่งแปดเกษเขาพระอนาคามีแสดงว่าคุณนั้นจิตก้าเ้าเข้าสู่การเป็นพระอนาคามี เรองหลักประโส о л ดาบสิกศรษฐาคามีก็สิ่งห้าเป็นสำคัญเมื่อพระพุษษษษษทธพุทธธรรมเรสงส์จริงมีสิ่งห้าบริสุท์แน่นอนคำว่าสิ่งนี้เผยและมันมีขาดนะต้องตร้างใจคทำและจิตอีกดวงหนึ่งตัด ส, สินใจโดยเฉพาะว่าเราทำความดีทั้งหมดเราต้องการานิพันธ์จุดเดียวเพื่อให้เข้าให้ขอช่วเหลือไทประจําไม่หวังผลตอบแทนในปัจจุบัน และก็ไม่หวังเกิดเป็นมนุษย์ในหวังเกิดเป็นเทดาไม่หวังเกิโโดเป็นตนหวังอย่างเดียวว่าอัตชาตหรือร่างกายนี้จะไหเมื่อไร่เราใจนิพพานเมือ น, มนั้นตัดสินใจได้อย่างนี้เป็นปกติที่ว่าอารมณ์ท่านเป็นปโสดาบันเอาโสดาบันยังไม่ต้องยากโอยแกเนี่ยเอาโสดาบันยังมีการแต่งงานเอโสดาบันยังมีความรักในเพศ แต่ไม่ทําการมีก็มี15บริสุทธิ์ถ้าโสดาบันยังมีความโกรธแต่ไม่ฆ่าใครก็มี15บริสุทธิ์ถไอโสดาบันยังมีต้องการความรวยแต่ไม่คดไม่โกงใครก็มี15บริสุทธิ์ถ้าโสดาบันขึ้นชื่อว่ายังมีความหลงอยู่บ้านแต่หลงไม่หนักนักก็เลยยังต้องการความรักต้องการความโดยยังมีความโกรธแต่ว่าสินไม่ขาด ควาจรงเบอโสดาบันก็เป็นโอกาสได้เราสบ้านทัานดีนั่นเองจะนด้ขอทุกท่านทั้งหมดการเจริญพระกรมฐานด้วยการทําบุญถ้าหากว่าเราไม่หาจุดจุดพักหรือจุดหยุดที่ใดที่หนึ่งไว้การทําไปมันก็ได้ผลน้อยเต็มทีที่ว่าได้ผลน้อยเต็มทีมันควรจะมาหยุดเบอรโสดาบันบ้นาเข้าจุดพักมันก็ไม่พัก ทำไปเจริลยก็มาถานกันเลยไปถ้าบอกทำอย่างนี้ก็ทำไปทำไปทำไปแบบนั้นหาจุดลงไม่ได้มันเป็นพระอริยะไม่ได้เพาะมันอะไรจะใกล้จิไม่ไดนี้ความเป็นพระอริยะที่เป็นมกันไม่ได้เพราะว่าไม่รู้จักพระอริยะไม่รู้ว่าเบโสดาบันสิพาทานีเนี่ะของง่ายๆเป็นยาปากก็แต่สงคัญครูผู้สอนไม่ได้เป็นพระอริยะ แร้ท่านนี้ก็ยังนึกออกอาตมาเป็นพระอริยเจ้าเสียด้วยท่านไม่เป็นพระอริยะแล้วท่าก็ไม่ดูพระพุทธเจา้าสอนเสียด้วยญาติมามาสอนนี่มาจากพระพุทธเจา้าที่พระพุทธเจา้าทรงจัดว่าสำนักโพสวดาบานันรัตสกิทาคามีเป็นผู้ทรงอภิสิทธิธ์ข้านาคามีอเป็นผู้ทรงอภิสิทธิ์ข้าละหันไม่ผู้ทรงอธิสัญญาณ ในสัญญาจะมีบอกว่าทระโสดาบันกสุจิาครมีตัดสัญญอดิสามเนหนึ่งสกายติสิกสองวิจิกิตาสามสิลปตากรามาตอีตามหนึ่งท่านบอกว่าพระมหาโสดาบันกสุจาครมีเป็นผู้มีปัญญาเล็กน้อยมีสมาธิเล็กน้อยแต่ถึงไมิถทง แล้วต่อไปก็ต้องดูองค์ของเบโสดาบันอีกองค์เบโสดาบันคือคนที่เป็นเบโสดาบันแล้วก็มีกำลังใจอย่างไงเขายาอารมณ์แบบไหนองค์เบโสดาบันคือหนึ่งพระพุทธเจ้าจริงพรัพุทธบาลจริงพระพุทธอริยสงฆ์จมีศิลปะบริสุทธิ์จริงมีจิตใจเมื่อเขนิพพานเป็นอารมณ์จริงนั่นก็ทางนี้ ถ้าหกากเราจิตใจขบรรดาทั้งหลายส่งอารมณ์ความไปโสดาบัน ไ, ได้ถ้ารสมาบัติการต่างที่ธรนมดาเรนี้ไม่มีการเปืี่ยนนี่จะดีขึ้นแล้วเลื่เลื่อนเป็นโสดาบันแล้วก็ตัดจุดยอดเลยลไม่ต้องไปไล่สกิทาคาเมียนาคามีไม่ต้องไมต้องไปไล่ทั้งย่ออื่นสัดตัววิชาทันทีไม้ก็ได้แก่ตัดฉันพระกับราคะ ยิ่งไบอกเคยบอกว่าเมื่อเราตรองคิดไปเสมอว่าถ้าร่างกายมันตายแบบนี้เราไม่ต้องการไม่ต้องการเกิดเป็น ม, มนุษย์สิมมสมมรสมมวัฒนาได้วยสมเราต้องการจุดเดียวคือวิญญาณทําให้มันแน่ น, น, นแน่ทําจิตมันแม่นคงเอาไว้แน่นนอนอย่าไปคิดว่าสียงนี้ไม่เกิดไม่เป็นความสามารถของเราไม่ใช่นั้นเราต้องสามารถ ถ้าเราไม่มีคามสามารถจริงแล้วก็ไม่เหยียดย่างเข้ามาในขอบเขตของพรศาสนานี่เป็นจุดแรกที่เราจะพิสูจน์เองเมื่อเหยียดย่างเข้ามาในขอบเขตของพศา ส, สนาจริงถ้าเราไม่ดีจริงแล้วก็ไม่ยอมรับนักสืบพระศาจนาและต่อไปถ้าเราไม่แน่นอนจริงๆถ้าจิตใจของเราไม่เข้าถึงประมัตถมรรคจริงเราก็ไม่พอใจในเกินกันในการจเจริญตัวสรรมฐาน จุดนี้เป็นจุดสําคัญที่พวกท่านหลายจะสร้างความมั่นใจมาตัวเองว่าขินที่ว่าพระนิพพานนี้ไม่เกินสัยของท่นเอาเป็นหลักต่อ น, นี้ไปก็มรรดาทางพุทธบริษัททั้งหลายสร้างกายใหตรงลำลองจิตให้มันจนหลด ร, รู้หลัไม่ใจใ ห, ห้เข้าให้ใจออกข้าพรวนนาก็ใช้คำวนาวณมะปะทะและรวบรวมกําลังใจโดยไม่สนใจกันบระทำภาวนาก็ได้ ทีว่าควรกำลังจิตตัดกินเลสคืบมุ่งคิดว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ถึงเราโลกนี้ไม่มีความหมายของเราเราต้องการให้ตานอย่างเดียวตังเราใช้จิตเชื่อพรนามัธิารองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นิพพานและจะอยู่ที่นั่นและจะกลับไปไหนก็ได้อยู่ที่นั่นตลอดหมดเชิงว่งหมดเวลาก็อย่างดีแสอนที้ใส่เพืปฏิบัติได้